วันนี้เป็นวันพุทธที่สิบสองเสิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสามเป็นวันหยุดราชการเนื่องจากเป็นวันแม่แห่งชาติเป็นวันที่เพิ่มเสียงหน่อยได้ไหมเสียงเป็นวันที่ ทางราชการได้กำหนดให้ชาวไทยเราได้มีเวลามาลํำลึกถึงพระคุณของแม่และพระคุณของพ่อเพราะการมีแม่ก็ต้องมีพ่อด้วยถึงจะเป็น แม่เป็นพ่อได้เพราะการเป็นพ่อเป็นแม่ก็คือการเป็นผู้ให้ร่างกายแก่ลูกๆนั่นเองเพ่อแม่เป็นผู้สร้างร่างกายของพวกเราทุกคนร่างกายที่พวกเรามีได้นี้เราไม่ได้สร้างกันเองเราสร้างไม่ได้ ร่างกายที่พวกเรามีกันอยู่นี้เป็นของขวัญจากพ่อแม่ของพวกเราพ่อแม่เป็นผู้ที่สร้างหรือผลิตร่างกายนี้ขึ้นมาด้วยการนำเมาเชื้อของพ่อและเชื้อของพะของแม่มารวมกัน mm hmm. เชื้อของพ่อของแม่นี้ก็ประกอบ จากธาตุสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเมื่อมารวมกันก็มาขยายพันธุ์มาสร้างร่างกายอันใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งร่างเป็นร่างกายของลูกลูกมาจากพ่อจากแม่แม่เป็นผู้สร้างร่างกายของลูก ส่วนพวกเรานี้ไม่ได้เป็นร่างกายพวกเรานี้เป็นจิตวิญญาณที่ไม่มีร่างกายที่เสียร่างกายอันเก่าไปเราเคยมีร่างกายมาก่อนก่อนที่เราจะมีร่างกายอันนี้เราเคยมีร่างกายแล้วเราก็เสียร่างกายอันนั้นไป เพราะร่างกายทุกร่างที่เราได้มานั้นเป็นร่างกายชั่วคราวคืออยู่ได้ไประยะหนึ่งแล้วมันก็ต้องสิ้นสุดลงคือตายไปพอร่างกายอันต่อันเก่าที่เราเคยมีอยู่นั้นตายไปเราก็ไปหาร่างกายอันใหม่เหมือนสมัยนี้ เราใช้โทรศัพท์มือถือกันพอโทรศัพท์มือถือเครื่องเก่ามันเสียใช้ไม่ได้เราก็ไปตามร้านที่ขายโทรศัพท์มือถือไปเลือกเอามือถือชนิดที่เหมาะกับเราเหมาะกับกําลังทรัพย์ของเราโทรศัพท์มือถือก็มีหลายระดับหลายราคาคนซื้อก็มีหลายระดับ มีกำลังซื้อหลายระดับต่างกันไปก็ไปเลียกซื้อเอาตามเหมาะสมตามกำลังจิตวิญญาณของพวกเราก็เหมือนกันเป็นผู้ซื้อมือถือเพราะมือถือเครื่องเก่าค yeah okay ือร่างกายอันเก่าของเหล่านี้ได้ตายไปแล้วเราก็เลยเป็นดวงวิญญาณไปชั่วคราว แล้วเราก็ไปหาร่างกายอันใหม่ไปซื้อร่างกายอันใหม่ด้วยกำลังของกรรมของเรากรรมดีและกรรมชั่วของเราเป็นผู้ที่จะกำหนดให้เราได้ร่างกายอันใหม่ว่าจะเป็นร่างกายแบบไหนดีไหมไม่ดีดีมากดีน้อย สวยมากสวยน้อยมีอาการครบสามสิบสองหรือไม่หรือจะขาดพิกลพิการในบางส่วนอันนี้ก็เป็นกำลังซื้อของจิตวิญญาณของพวกเราทุกคนถึงแม้ว่าพวกเราอยากจะได้เครื่องร่างกายที่ดีที่สวยที่งาม ที่จะได้มาเป็นดาราภาพยนต์ได้เป็นนางงามจักรวาลแต่กำลังซื้อของเรามันมีไม่เท่ากันอยากได้เหมือนกันเหมือนอยากได้มือถือเหมือนกันอยากได้มือถือรุ่นล่าสุดรุ่นที่ดีที่สุดแพงที่สุดแต่ถ้ากำลังซื้อเราไม่ถึงเราก็ซื้อไม่ได้ เราก็ซื้อตามกำลังซื้อของเราร่างกายของเราที่พวกเราได้มานี้ก็มาตามกำลังของบุญของบาปของเราที่เราได้ทําไว้ในอดีตชาตินั่นเองจึงทําให้เราได้มาได้ร่างกายต่างกันเหมือนกับเราทุกคนนี้ใช้โทรศัพท์มือถือต่างกันลองเอามาเปรียบเทียบกันดูบางคนก็แบบแบบ สูงสุดราคาแพงที่สุดบางคนก็ระดับราคาต่ำที่สุดนอันนี้ก็เป็นเรื่องของร่างกายของพวกเราและจิตใจของพวกเราจิตใจของพวกเรานี้ไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายไม่ได้เป็นจิตใจเป็นคนละคนกันเป็นเหมือนคนใช้ กับโทรศัพท์มือถือคนใช้มือถือกับโทรศัพท์มือถือนี่เป็นคนละส่วนกันคนใช้มือถือนี่จะมีอายุยาวนานกว่าโทรศัพท์มือถือใช้โทรศัพท์มือถือไปได้ไม่กี่ปีมันก็หมดสภาพหรือตกรุ่นเราก็ต้องเปลี่ยนรุ่นใหม่ซื้อเครื่องใหม่มาใช้ต่อ ร่างกายของพวกเราที่เรามีกันอยู่นี้ก็เป็นเหมือนโทรศัพท์มือถือการที่พวกเราสามารถติดต่อกันได้เนี่ยคุยกันได้ก็เพราะเรามีร่างกายอันนี้เป็นเครื่องมือถ้าสมมติว่าร่างกายของเราตายไปตอนนี้เราก็จะไม่สามารถติดต่อกับคนที่เรารู้จักได้เลยแต่เราไม่ได้ตายไปกับ ร่างกายเราอยู่ไม่มีวันตายจิตวิญญาณเนี่ยตัวเราเนี่ยไม่มีวันตายเพียงแต่เครื่องมือที่เราใช้ในการสื่อสารติดต่อกันคือร่างกายอันนี้เดี๋ยวมันก็ต้องตายไปเป็นธรรมดาเป็นเหมือนกับโทรศัพท์มือถือที่เราใช้ที่เรารู้ว่าอีกไม่กี่ปีเราก็ต้องเปลี่ยนใหม่ เพราะว่ามันตกรุ่นแนละ้วถึงแม้มันจะใช้ได้แต่ก็ใช้ไม่สะดวกไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เหมือนกับอของที่เขาผลิตออกมาใหม่ในที่สุดเราก็ต้องเปลี่ยนมือถือใหม่อย่างใดร่างกายของพวกเราก็เป็นอย่างนั้นเป็นเหมือนโทรศัพท์มือถือที่วันใดวันหนึ่งเราจะต้องเปลี่ยนมันใหม่ อันนี้เป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวุกทุกทุกรูปได้ค้นพบได้รู้ความจริงได้รู้ว่าร่างกายกับจิตใจนี้เป็นคนละส่วนกันแล้รู้ว่าทำไมจิตใจจึงต้องมามีร่างกาย สาเหตุที่พาให้จิตใจต้องมามีร่างกายก็เพราะว่าจิตใจไม่รู้ว่าตัวเองมีความมีความสุขที่ที่ดีที่แท้จริงอยู่ในตัวของตัวเองความไม่รู้อันนี้ <Yeah. S 1> ก็เลยทำให้หลงคิดว่าถ้าอยากจะมีความสุขต้องหาความสุขจากสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ และการที่จะหาความสุขจากสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ได้ก็ต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือพว <c oughs> กเราก็เลยต้องไปหาร่างกายกันอพอเราได้ร่างกายมาแล้วเราก็ได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขที่มีอยู่ในโลกนี้ความสุขที่มีอยู่ในโลกนี้เราก็เรียกว่าโลกกระม คือลาบยศสรรเสริญสุขที่ได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดถะพระชนิดต่างๆนี่สิ่งเหล่านี้เวลาที่พวกเราได้มากันนี้พวกเราจะมีความสุขกันเวลาได้ลาบคือได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมาเราจะดีใจกันจะมีความสุขกันเวลาได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ได้ยศชั้นต่างๆเราจะมีความสุขกันเวลาที่เราได้ยินคาสรรเสริญเยินยอยกย่องเราจะมีความสุขกันเวลาที่เราได้เสบรูปเสียงกลิ่นรสและผดทะพระชนิดต่างๆด้วยตาหูจมูกลิ้นกายของร่างกายของเรานี้เราก็เกิดความสุขกัน เราก็เลยทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการหาความสุขจากโลกธรรมคือหาความสุขจากลาบยศ ส, สรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะชนิดต่างๆหากันมาตั้งแต่วันเกิดเลยก็ว่าได้เกิดมาออกมาจากท้องแม่ก็เริ่มหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรส เวลาร้องที่เวลาร้องให้ก็บอกแม่ว่าตอนนี้ไม่มีความสุขแล้วอยากจะได้ความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งแม่ก็ต้องหามาให้หิวนมก็หานมมาให้หิวน้ำก็หาน้ำมาให้หิวรูปก็รูปเสียงก็หาตุ๊กตาหาของเล่นมาให้แม่พ่อเป็นคนที่รับใช้เราช่วงที่เราไม่สามารถ หาโลกธรรมได้ด้วยตัวของเราเองนะครับต่อมาพอเราจเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่มีความสามารถที่จะไปหาโลกธรรมได้เองเราก็ไปหากันเราก็ไปทำงานทำการหลังจากเรียนจบแล้วเราก็มีวุฒิที่เราสามารถที่จะไปยื่นสมัครงานได้เราก็จะได้งาน ได้ทํางานพอได้ทํางานสิ้นเดือนเราก็จะได้รับเงินเดือนนี่เป็นขั้นตอนของการหาความสุขของพวกเรากันเนื่องจากเราคิดว่านี่เป็นวิธีหาความสุขแต่ในขณะเดียวกันความสุขที่เราหามาได้นี่มันก็เป็นปัญหาตามมาได้ ความสุขที่เราหาได้มันเป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปหมดไปเราก็ต้องหามันใหม่ต่อไปความสุกกันนี้หมดไปเงินเดือนเดือนนี้หมดความสุขก็หมดไปก็ต้องทำงานต่อหาเงินก็จะได้เอาเงินเดือนมาใช้ต่อไปตาแหน่งก็เหมือนกัน เวลาได้ตำแหน่งใหม่ๆก็มีความสุขเดี๋ยวความสุขที่ได้จากการได้ตำแหน่งนั้นก็หายไปก็อยากจะได้ตำแหน่งสูงขึ้นตอนต้นถ้าเป็นข้าราชการตำรวจนุสทหารตอนต้นก็เป็นพลทหารเป็นพลตำรวจไปก่อนแล้วเดี๋ยวก็ได้เลื่อนขั้นเป็นนายสิบเป็นจา่าพอได้ขั้นไหนก็ดีใจ มีความสุขไปสักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวความสุขที่ได้จากขั้นนั้นก็หมดไปก็อยากจะได้ความสุขจากขั้นต่อไปก็ต้องตะเกียกตะกายกันดิ้นรนกันไปเพื่อที่จะได้มีความสุขกันจากราบบ้างจากยศบ้างจากสรรเสริญบ้างเวลาทำอะไรดีคนเขายกย่องเราเราก็ดีอกดีใจ มีแจกรางวัลมีเกียรติบัตรมีโลหทองคำมีอะไรต่างๆยกย่องสรรเสริญเราก็ดีออกดีใจแต่ดีใจไปไม่กี่วันมันก็หายไปแล้วความรู้สึกอยากจะมีความสุขอีก<ม>ก็เกิดขึ้นใหม่มก็ต้องคอยหาไปอยู่เรื่อยๆจนกว่ามันจะเกิดอุปสรรคขึ้นมา คืออยากได้ความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแต่เกิดมีปัญหาหาไม่ได้เช่นร่างกายของเราอาจจะมีปัญหาขึ้นมาจากความแก่บ้างจากความเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างจากการพิกลพิการบ้างหรือจากความตายเนี่ย ความสุขต่างๆที่เราหาจากโลกธรรมมันก็จะหมดไปตอนนั้นเราก็จะต้องพบกับความทุกข์กันคนที่ไม่สามารถหาความสุขผ่านทางร่างกายได้เช่นคนพิการคนที่สิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีเงินทองที่จะไปซื้อความสุขจากสิ่งต่างๆ ก็จะเป็นคนซึมเศร้าคนโศกเศร้าคนว้าเวซึ่งบางคนถ้าทนไม่ไหวก็คิดฆ่าตัวตายกันอันนี้เป็นด้านลบของการที่เรามาเกิดกันมาหาความสุขจากโลกธรรมคือลาบยศสรรเสริญและความสุขจากรูปเสียงเกล่นรดต่างๆกันมันมีด้านลบ ที่เราเรียกว่าทุกเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงตัดทะรู้ว่าโลกนี้ไม่ใช่เป็นโลกของความสุขอย่างเดียวเป็นโลกของความทุกข์ด้วยโลกกรรมนี้ไม่เจริญอย่างเดียวโลกกรรมสี่นี้มีทั้งเจริญและมีทั้งเสื่อมเราถึงเรียกเป็นว่าเป็นโลกกระมำแปดเป็นสี่คู่ด้วยกัน มีการเจริญราบก็ต้องมีการเสื่อมราบเป็นธรรมดามีการเจริญยศก็มีการเสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทามีสุขก็ต้องมีทุกข์สลับกันไปเพราะนี่เป็นธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ท่านบอกว่ามันเป็นอนิจจังไม่เที่ยง มีการเปลี่ยนแปลงพลิกไปพลิกมาอยากดีกลายเป็นไม่ดีอยากไม่ดีกลับกลายเป็นดีอยากเกิดเป็นดับจากดับเป็นเกิดสลับกันไปขึ้นขึ้ น, นลงลงสามวันดีสี่วันไข้นี่คือชีวิตของพวกเราทุกคนไม่ว่าใครก็ตามจะมาเกิดอยู่ในระดับไหนชั้นไหนก็ตาม ชั้นยาจกชั้นขอทานชั้นธรรมดาชั้นเศรษฐีชั้นอภิมหาเศรษฐีชั้นเจ้าชั้นพระราชามหากษัตริย์ชั้นประธานาธิบดีรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็จะโลกกระทำแปดด้วยกันทุกคนไม่มีใครสามารถที่จะหลีกเลี่ยงโลกกระทำแปดนี้ไปได้ เพราะทุกคนข้อหาโลกกระทำสี่หาความเจริญทางลาบยศสารเสริญสุขกันแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องเจอเงาของลาบยศสารเสริญสุขลาบยศสารเสริญสุขเขาก็มีเงาเหมือนร่างกายของพวกเราเราจะเอาร่างกายนี้โดยบอกว่าไม่เอาเงาไม่ได้ตัดเงาทิ้งไปไม่ได้เเราเดินไปไหนเวลามีแดดส่องนี่เงามันจะตามร่างกายนี้ไปทุกคนทุกแขน ฉันใดาการเสื่อมาลาบยศสารเสริญสุกก็เป็นเงาที่ตามความเจริญของาลาบยศสลรเสญสุกฉะนั้นทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้จึงไม่มีใครที่จะไม่ต้องที่จะไม่มาเจอความทุกข์กันยกเว้นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์เท่านั้นแต่ก่อนจะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันต์ก็ต้องทุกข์กันทุกคนเหมือนกันพระพุทธเจ้าก่อนจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ทุกข์ ตอนที่เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะท่านก็ทุกข์พอท่านเห็นว่าต่อไปท่านจะต้องเป็นคนแก่คนเจ็บคนตายท่านก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีทุกคนในโลกนี้ไม่มีใครไม่ทุกข์ถึงแม้จะเป็นพระอาหารหันต์เป็นพระพุทธเจ้าก็ตามต้องทุกข์กันทุกคนก่อนเมื่อทุกข์แล้วถึงจะได้มีสติตื่นตัวขึ้นมาว่าเอ๊แล้วเราจะทําไงกับความทุกข์นี้มีวิธีที่เราจะ ดับมันได้หรือเปล่ามีวิธีที่เราจะไม่ต้องทุกข์ได้หรือปเปล่าก็มีวิธีมีคนพยายามหาวิธีดับความทุกข์กันออก็พวกเป็นพวกนักบวชทั้งหลายนี่เองเพราะพวกนักบวชนี่เขาไปเจอความสุขอีกแบบหนึ่งความสุขที่ไม่ต้องใช้โลกกรรมไม่ต้องใช้ลาบยศสรรเสริญไม่ต้องใช้รูปเสียงกลิ่นรส เป็นความสุขที่ได้จากการทําใจให้สงบสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงพบกับความทุกข์พระองค์ก็พยายามหาทางออกว่าจะออกจากความทุกข์นี้ได้อย่างไรก็ไปพบพวกนักบวชเข้าแล้วก็ได้ศึกษาจากพวกนักบวชว่าเขามีวิธีหาความสุขอีกแบบหนึง่งหาความสุขที่มีอยู่ในใจของพวกเราทุกคนนี้ พวกเราเรามีของดีของวิเศษถ้าจะเปรียบเทียบก็เป็นมี ม, มีเพชรถ้งหนึ่งอยู่ในตัวของเราเองแต่เราไม่รู้กันเราก็เราออกไปหาก้อนอิดก้อนกวดก้อนทรายกันภายนอกสิ่งที่เราหาความสุขที่เราหาได้จากโลกธรรมนี้เป็นความสุขที่เหมือนกับก้อนอิฐก้อนกวดก้อนทรายไม่มีคุณค่าราคาเหมือนกับ เพชรนินจินดาเพชรน้ำหนึ่งที่มีอยู่ในใจของพวกเราความสุขในใจนี้พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าเหนือกว่าความสุขทั้งปวงรสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวงรสแห่งธรรมก็คือรสของความสงบของใจที่พวกเราไม่รู้กันว่ามีอยู่ในใจของเราและไม่เข้าหามัน แต่พอเราได้มาเจอกับพวกที่เขาได้พบลดแห่งธรรมได้พบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงว่ามีอยู่ในใจของพวกเหล่านี้เองพวกเหล่านี้ไม่ต้องไปเสียเวลาหาความสุขกับลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสกันเพราะหาไปถึงแม้จะได้ความสุขมามันก็มีความทุกข์ตามมาเสมอ อ่ามันเป็นของคู่กันมันเป็นเงาความทุกข์นี้เป็นเงาที่จะตามความสุขที่พวกเราหากันเห็นตราบใดถ้าเรายังหาความสุขจากโลกธระทอยู่ตราบนั้นเราจะหนีไม่พ้นจากความทุกข์ได้มีทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เราหนีจากพ้นจากความทุกข์ได้ก็คือเราต้องเลิกหาความสุขจากโลกกระท หยุดหาราภยศเสรเสริญกันแล้วมาหาความสุขที่เกิดจากความสงบกันไปอยู่แบบนักบวชกันไปเป็นนักบวชกันเนี่ยดูพระพุทธเจ้าของพวกเราเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นพระลูกของพระราชามาหากรย์ท่านก็มีความสุขทางโลกธรรมอย่างเต็มร้อยตำแหน่งก็สูงสุด ทรัพย์ก็มากที่สุดสร ะ, ะเสริญก็ได้มากที่สุดความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสก็ได้แบบวิเศษที่สุดที่ในโลกนี้สามารถที่จะผลิตขึ้นมาได้แต่ท่านก็ทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายทุกข์กับการสูญเสียลาบยศสรรเสริญไป เพราะว่าบางทีได้มามันก็หมดไปได้กลเรเัศน์ยศมันก็หมดได้ถึงแม้ไม่หมดเพียงแต่คิดเผื่อไว้มันก็ทุกข์แล้วคิดว่ า, เ, าเราอาจจะตกงานเมื่อไหร่ก็ได้แล้วเงินทองที่เรามีอยู่นี้อาจจะไม่พอใช้ขึ้นมาก็ได้เราจะไม่สามารถอยู่แบบที่เราอยู่กันได้ในแบบนี้ก็ได้อาจจะต้องอยู่ระดับต่ำลงมา อยากเคยใช้เงินใช้ทองเดือนละหมื่นก็อาจจะลดเหลือเดือนละพันนี่มันก็จะเห็นสภาพของความทุกข์ที่จะตามมาเพราะเราไม่มีความสามารถที่จะไปควบคุมบังคับเรื่องระดับการเงินการทองของเราได้ว่ามันจะอยู่ในระดับนี้ไปเรื่อยๆวันใดเกินใดวันไ ด, นไ ด, ม, นไดมันอาจจะลดลงไปเมื่อไหร่ก็ได้หรืออาจจะขึ้นก็ได้ ไอ้เรื่องขึ้นเราเรารู้กันว่าไม่เป็นปัญหาเพราะขึ้นเราจะดีใจกันเง mm hmm. ินเดือนขึ้นทีไรดีใจกันสักที mm hmm. แต่พอเงินเดือนลดมาเมื่อไหร่นี้เริ่มบ่นกันเริ่มเสียใจกัน mm hmm. อันนี้แหละที่ทำให้พระพุทธเจ้าที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะในตอนนั้น mm hmm. เริ่มคิดหาทางออกจากกองทุกข์ mm hmm. พอเห็นว่าต่อไปจะต้องเป็นคนแก่คนเจ็บและคนตาย ถึงแม้ว่าลาบยสเสารเสินสุขที่ยังมีอยู่ก็ตามแต่พอร่างกายอยู่ในวัยชราเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาตายนี่มันไม่สามารถมีได้เหมือนตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวตอนที่มีกำลังวังชานั่นเองท่านก็เลยต้องออกบวชนะเพื่อที่จะได้ไปหาวิธีที่จะ มีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยโลกธรรมไม่ต้องอาศัยลาบยศเสริเสริญสุขคือไปปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าจิตตภาวนาในสมัยนั้นการปฏิบัติธรรมก็เป็นเพียงยุคที่ยังไม่สมบูรณ์ปฏิบัติได้เพียงครึ่งเดียว mm hmm. การปฏิบัติจิตตะภาวนานี้มีอยู่สองระดับด้วยกันแต่ ในสมัยที่พระพุทธเจ้าออกบวชนั้นมีคนรู้เพียงระดับเดียวระดับแรกคือระดับสมถะภาวนาคือการทำใจให้สงบด้วยการเพ่งสติอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นคำบริกรรมพุทโธพุทโธหรือการดูลมหายใจเข้าออกถ้าเพ่งจิต ด, ด้วยสติให้อยู่กับพุทโธพุทโธ หรือดูลมหายใจเขาออกได้อย่างต่อเ น, นื่องมันก็จะทำให้ความคิดที่คิดอยู่ตลอดเวลานั้นหยุดคิดลงพอความคิดหยุดคิดลงปักบจิตก็จะรวมตัวเป็นหนึ่งเรียกว่าเป็นสมาธิขึ้นมาความคิดที่เคยคิดหายไปเหลือแต่ผู้รู้สักแล้ว่ารู้เพียงอย่างเดียวและในผู้รู้นั้นก็จะมีแต่ความว่าง มีความสุขและมีอุเบกขาอันนี้เป็นวิธีของการหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้โลกธรรมทั้งสี่คือลาบยศสลรเสริญสุขแต่ยังไม่เป็นความสุขที่สมบูรณ์เพราะเป็นความสุขชั่วขณะที่เข้าไปในสมาธิเท่านั้น พอถอนออกจากสมาธิมาแล้วความสุขที่ได้จากสมาธิก็จะเริ่มจางหายไปเหมือนน้ำเย็นที่เราเอาไปแช่ไว้ในตู้เย็นเวลาแช่ไว้ในตู้เย็นมันก็จะเย็นแล้วพอเราหยิบออกมาจากตู้เย็นมาดื่มแล้ววางไว้นอกตู้เย็นเดี๋ยวไม่นานน้ำที่มันเย็นมันก็จะหายเย็นฉันใดความสงบ ความสุขที่ได้จากความสงบนั้นพอจิตถอนออกจากสมาธิมาจิตก็จะมารับรู้กับรูปเสียงกดลิ่นรสต่างๆที่เข้ามาสัมผัสทางตาหูจมูกฟินกายแล้วจิตก็จะเริ่มมีอารมณ์กับรูปเสียงกดลิ่นรสต่างๆพอเกิดอารมณ์ขึ้นมาความสงบเย็นของใจก็จะจางหายไป กลายเป็นความร้อนของอารมณ์ต่างๆขึ้นมาร้อนด้วยความโลภบ้างร้อนด้วยความโกรธบ้างร้อนด้วยความหลงบ้างอันนี้เป็นวิธีการหาความสุขของนักบวชสมัยที่พระพุทธเจ้ายัางไม่ได้ทรงตัดสรตวพอใจเริ่มร้อนเขาก็ต้องกลับเข้าไปใหม่เหมือนน้ำที่เราเอามาไว้นอกตู้เย็น พอมันหายเย็นแล้วถ้าเราอยากจะดื่มน้ำเย็นเราก็ต้องเอากลับไปแช่ใหม่ <Yeah. S 1> งั้นสมัยก่อนนักบวชจะต้องคอยเข้าสมาธิอยู่เรื่อย mm. เวลาออกมาจากสมาธิก็พยายามคอยควบ ค, คุมใจด้วยสติไปพังๆก่อนแต่ก็กันไม่ให้มันร้อนมากเท่านั้นเองแต่มันก็ยังไม่เย็นไม่สุขเหมือนตอนที่เข้าในสมาธิ นั้นเวลาใดที่อยากจะมีความสุขเพราะบางทีมันเกิดมีความอยากจะหาความสุขจากโลกกะระทจากลาบยศเสริญสุขก็เลยต้องให้มันเข้าไปหาความสุขจากความสงบแทนเพราะว่าถ้าปล่อยให้มันอยู่ข้างนอกโดยที่ไม่กลับเข้าไปหาความสุขจากความสงบเดี๋ยวมันทนความอยากที่จะกลับไปหาความสุขจากโลกกะระทไม่ได้ เดี๋ยวดีไม่ดีก็อาจจะลาสิกขากันไปซึ่งนักบวชเราก็คงจะรู้กันว่าบางคนบวชได้สักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็สึกกันลาสิกขากันเพราะว่าความอยากหาความสุขนั้นมันดึงให้กลับไปเพราะมีความสามารถที่จะหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นลดได้แต่ไม่สามารถ หาความสุขจากการทำใจให้สงบได้ผู้ที่เป็นนักบวชถ้าไม่สามารถหาความสุขจากความสงบเดี๋ยวก็ทนอยู่เป็นนักบวชไม่ได้เดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็ต้องกลับไปหาความสุขจากละโลกะทามสี่แล้วเดี๋ยวก็ต้องมาทุกข์ต่อไปพอทุกข์มากๆ ก, ก็คิดถึงการจะเป็นนักบวชใหม่บางทีก็กลับไปบวชใหม่บางคนก็ บวแบบชั่วคราวแบบญาติโยมถือศีลแปกันบางทีก็ไปอยู่วัดกันเดือนหนึง่งแล้วเดี๋ยวพอทนกับความอยากในโลกกะระมไม่ได้ก็ลาศิกขามาอยู่กับโลกกะระรมำพออยู่กับโล ก, กธ ร, รมทสักพักก็ไปเจอความทุกข์ที่ได้จากโลกกะระมก็เบื่อขึ้นมาอีกก็กลับไปอยู่วัดอีกก็จะมีการเข้าๆออกออกไป จนกว่าที่จะสามารถที่จะมีกำลังที่จะดึงใจให้อยู่กับความสุขที่เกิดจากความสงบในยุคนั้นมีเ ป, นเป็นความสุขแบบชั่วคราวเกิดถ้าความสุขที่ได้จากความสงบหายไปถ้าอยากจะได้ใหม่ก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิใหม่ฉะนั้นผู้ที่เป็นนักบวชนี้มักจะไม่ประมาท มักจะคอยรักษาใจให้อยู่ในความสงบอยู่เรื่อยๆพอสังเกตเห็นว่าใจเริ่มร้อนะเริ่มคิดถึงราบยศรเสญเริ่มคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เริ่มคิดถึงความสุขที่เคยได้ในอดีตเกยไปเที่ยวที่นั่นเกยไปเที่ยวที่นี่เกิดไปกินได้นั่นไปดื่มไม่นี่ไปดูไปฟังอะไรเนี่ยถ้าปล่อยให้คิดบ่อยๆเดี๋ยวมันจะเกิดความสุขจนทาให ใจนี่ร้อนขึ้นมาจะทนไม่ได้ถ้าไม่กลับเข้าไปในสมาธิ mm hmm. นั้นสมัยก่อนนี้ mm hmm. ก็เป็นการหาความสุขแบบชั่วพระชั่วคราวไปยังไม่ได้เป็นความสุขแบบถาวร mm hmm. พระพุทธเจ้าก็ได้ปฏิบัติถึงขั้นนั้นตอนที่ไปบวช mm hmm. ได้ไปศึกษากับอาจารย์หลายรูปด้วยกัน แต่และรูปท่านก็สอนแค่ระดับความสงบแบบชั่วคราวนี้เท่านั้นคือความสงบของสมาธิแต่ไม่มีใครรู้ว่าจะทำยังไงให้ใจเวลาที่ออกจากสมาธิมาแล้วยังมีความสุขอยู่ยังมีความสงบอยู่ <Yeah. S 1> เมื่อไม่มีใครรู้พระพุทธเจ้าก็เลยต้องไปทดลองค้นคว้าหาด้วยพระ อ, องค์เอง ลองผิดลองถูกอยู่พักหนึ่งจนในที่สุดก็ส่งค้นพบการภาวนาขั้นที่สองที่เรียกว่าวิปัสนาภาวนาคือได้พบกับความจริงพบกับสาเหตุที่ทําให้ใจนั้นร้อนทําให้ใจไม่มีความสุขทําให้ความสงบที่ได้จากสมาธิหายไปก็ส่งค้นพบว่าตัวที่มาทําให้ความสุขที่เกิดจากความสงบ ของสมาธิหายไปก็คือความอยากสามประการนี้คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเรียกว่ากามตัณหาความอยากมีอยากเป็นเรียกว่าภาวะตัณหาและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเรียกว่าวิภาวะตัณหาถ้าพวกเราสังเกตดูในใจของพวกเราทุกคนนี้รับประการได้ว่ามีตัณหาทั้งสามนี้อยู่สลับกันทํางานกัน บางทีก็อยากรูปเสียงกลิ่นรสอยากกินขนมอยากจะดื่มเครื่องดื่มอยากจะดูอยากจะฟังอะไรนี่อันนี้เรียกว่ากามาตัณหาแล้วบางทีก็อยากเป็นนั่นเป็นนี่ <c oughs> เห็นเขาเป็นใหญ่เป็นโตก็อยากจะเป็นกับเขา <c oughs> แล้วก็เวลาเห็นสิ่งที่เราไม่ชอบก็ไม่อยากจะเป็นหรือได้สิ่งที่เราไม่ชอบก็อยากจะไม่เป็นขึ้นมา <c oughs> ได้ <c oughs> ได้เป็นคนจนได้ตกงานนี่ก็ไม่มีใครอยากเป็นกันพอตกงานก็ทุกข์กันเพราะมีวิพาะคือความอยากไม่เป็นอยากไม่ตกงานหรือเวลาเจอร่างกายที่มันแก่ลงก็ไม่อยากให้มันแก่เห็มไหมเนี่ยเขามีเครื่องสาอางมาคอยแก้คอยกันความแก่คอยช่วยบรรเทาความแก่มียาย้อมผมเนี่ย พอผมเริ่มหลอกปั๊บเนี่ยก็มียามาย้อมกันเพื่อจะได้รักษาให้ผมดำ <Yeah. S 1> พอผมดำแล้วเวลาดูก็เหมือนกับยังไม่แก่ <Yeah. S 1> แต่ไม่ว่าจะทำอย่างไรมันก็ห้ามไม่ได้ <Yeah. S 1> ย้อมอย่างไรมันก็โผล่ขึ้นมาเรื่อยๆผมหลอก <Yeah. S 1> อันนี้เรียกว่าวิภาวะตัหานี่เนี่ยไอสาม <Yeah. S 1> ความอยากสามตัวนี่แหละที่ทำให้ใจเรามันวุ่น ทำไม่ใจเราไม่มีความสุขกันตอนที่เราเข้าสมาธิได้เนี่ยตอนนั้นไอ้ความอยากสามตัวนี้มันหยุดหยุดทํางานด้วยอํานาจของสติพอเรามีสติควบคุมความคิดได้ความอยากก็ทํางานไม่ได้เพราะความอยากต้องอาศัยความคิดเป็นเครื่องมือต้องคิดถึงสิ่งที่เราอยากได้ก่อนถึงเกิดความอยากขึ้นมาคิดถึงขนมน ม, นมเนยก่อน ถึงจะเกิดความอยากที่จะกินขนมนมเนยพอไม่ได้คิดความอยากนั้นมันก็ไม่เกิดนงนั้นเวลานั่งสมาธินี่เราพยายามควบคุมความคิดกันนั่นเองหยุดความคิดกันพอหยุดความคิดได้จิตก็สงบแล้วความอยากที่ทำให้ใจร้อนก็หายไปพอความร้อนหายไปความเย็นความสุขของใจก็ปรากฏขึ้นมา แต่กำลังของสติเรามันก็มีจำกัดเหมือนน้ามันที่เราเติมในในรถนี่ในน้ามันเราก็เติมได้เต็มถังแต่พอเราขับไปไหนมาไหนสักระยะหนึ่งเดี๋ยวน้ามันมันก็หมดสติตอนที่เราภาวนานอนที่เรานั่งสมาธิเราก็มีเต็มร้อยเราก็เลยสามารถหยุดความคิดได้พอหยุดความคิดได้ใจเราก็สงบ แล้วสติแล้วก็คุมความสงบนั้นไปเรื่อยๆแต่สติก็จะอ่อนกำลังลงไปเหมือนน้ำมันที่อยู่ในอยู่ในแท่งรถยนต์เติมเข้าไปแล้วขับไปขับมาน้ำมันมั น, มนก็จะลดเพราะมีเกวัดให้ดู เ, เวลาขับไปคนขับมักจะต้องคอยสังเกตว่าตอนนี้มีน้ำมันเหลือเท่าไหร่เพราะรู้ว่าถ้าขาดน้ำมันเมื่อไหร่ก็รถไม่วิ่งทันที เนี่ยต้องคอยสังเกตดูว่าต้องเติมน้ำมันหรือยังอันนี้ก็เหมือนกันเวลาเข้าไปในสมาธินี้เราก็ต้องใช้สติเหมือนใช้น้ำมันเร่งเครื่องกับเหมือนขับขับรถขึ้นเขานี่ต้องเร่งเครื่องเวลาเร่งเครื่องมัน ก, ก็กินน้ำมันเวลาที่เราใช้พุโทโธพุโทโธมันก็ต้องใช้กำลังของสติไปแล้วพอสติสามารถทาใจให้สงบได้ สติมันก็จะเริ่มอ่อนกำลังลงไปเดี๋ยวก็อยู่ได้ไม่นานก็ถอนออกมาใหม่ๆยิ่งอยู่ปั๊บเดียวช่วงแรกๆของการปฏิบัตินี้ท่านบอกว่าจะได้คณิกะสมาธิคือเข้าไปแช่อยู่แป๊บเดียวแบบงูลแลบบลิ้นหรือแบบฟ้าแลบบเพราะว่ากำลังของสติของผู้ปฏิบัติยังมีไม่มากพอแต่ถ้าปฏิบัติต่อไป รู้แล้วว่าสติมีความสำคัญอย่างไรเวลาออกจากสมาธิมาก็พยายามเพิ่มสติขึ้นอยู่เรื่อยๆมันพยายามดึงใจควบคุมใจไม่ให้คิดด้วยการใช้คาบริกรรมพุทโธพุทโธบ้างหรือด้วยการบังคับให้มันคอยเฝ้าดูร่างกายว่ากำลังทำอะไรอยู่ร่างกายทำอะไรก็ให้ใจอยู่กับร่างกาย อย่าให้ใจไปคิดถึงเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องของคนนั้นเรื่องของคนนี้ถ้าฝึกสติแบบนี้อยู่ตลอดเวลาตอนที่ไม่ได้เข้าสมาธินี้<ม>ก็เหมือนเติมน้ามันเพิ่มให้กับรถยนต์ให้มากขึ้นมากขึ้นต่อไปก็จะขับรถได้ไปทีไกลๆ ไ, ไม่ต้องจอดคอยจอดแวะอยู่เรื่อยๆเพราะว่ามีถังน้ํามันที่ใหญ่ขึ้น<ม>เติมน้ามันได้มากขึ้น เมื่อก่อนอาจจะมีถังเล็กเติมได้น้อยอาจจะวิ่งแค่ร้อยสองรอกิโลก็ต้องหยุดเติมน้ำมันแต่พอเปลี่ยนถังใหม่ให้มันใหญ่ขึ้นเป็นห้าร้อยลิตรนี้มันก็ขับไปได้ไกลขึ้นกว่าที่จะต้องมาก่อนที่จะมาหยุดเติมน้ำมันอีกครั้งหนึ่งสติของผู้ปฏิบัติก็เป็นแบบนั้นสติจะมีมากขึ้นมากขึ้นจะสามารถที่จะควบคุมความคิดได้นานขึ้นนานขึ้น แต่ตอนต้นนี้จะมีน้อยมีพอที่จะดึงจิตให้เข้าสู่ความสงบได้ปป๊บเดียวพอเข้าสู่ความสงบแป๊บแป๊บวินาทีสองวินาทีมันก็ถอนออกมาเห็นี่เรียกเขาว่าขั้นแรกของสมาธิคือขันิกะสมาธิแต่พอเห็นเห็นความเห็นประโยชน์ที่ได้รับจากสมาธิว่ามันสุขเหลือเกินมันเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพียงชั่วแค่งูแลบริ้นก็ตามมันก็เหมือนกับได้ชิมอาหารเนี่ยได้ชิมอาหารเพียงหยดเดียวเท่านั้นน่ะก็รู้ว่าโอ้เป็นอาหารที่อร ե ศอร่อยมันก็เลยจะทําให้เกิดความยินดีที่อยากจะพบกับความสุขแบบนี้ก็จะต้องขยนันเจริญสติให้มากขึ้นให้บ่อยขึ้น ก็เลยพยายามสร้างสติอยู่เวลาที่ออกจากสมาธิมาแล้วพอมีสติมากขึ้นเวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นแลนน้แลนานขึ้นต่อไปก็นั่งได้ครั้งละ15นาที20นาที30นาทีชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงเพราะกาลังของสติมีมากขึ้นมากขึ้นไปตามลำดับ แต่จะมากอย่างไรมันก็ยังต้องออกมาอยู่ดีเพราะว่าร่างกายนี้ต้องมีต้องได้รับการดูแลร่างกายนี้ต้องอเดี๋ยวต้องขับถ่ายเดี๋ยวต้องปวดฉี่อยู่ในสมาธินานๆแล้วเดี๋ยวมันก็แสดงอาการปวดมันก็จะไปทำให้สติที่มีอยู่นั้นต้องถอนออกมามาบรรเทาความทุกข์ของร่างกาย แล้วก็มาทำหน้าที่ต่างๆที่เกี่ยวกับร่างกายอาบน้ำอาบท้าทำความสะอาดสถานที่พักซักเสื้อผ้าออกไปหาอาหารมารับประทานอะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นภารกิจที่จะคอยขัดขวางไม่ให้จิตอยู่ในความสงบได้ตลอดเวลานั่นเองเั <Yeah. S 1> นั้นพระพุทธเจ้าก็เลยทรงเห็นความจำกัดของสมาธิ ว่ายังไม่สามารถให้ความสุขยังไม่สามารถทำให้พ้นจากความทุกข์ได้อย่างสมบูรณ์แบบก็เลยทรงคิดค้นคว้าไปค้นคว้ามาจนในที่สุดก็พบว่าเกิดจากความอยากทั้งสามนี้เองถ้าไม่มีความอยากทั้งสามนี้แล้วจิตก็จะสงบจิตก็จะสุขไปตลอดเวลาพระองค์ก็เลยทรง ว่าเราจะทำไงถึงจะทำให้ความอยากเหล่านี้มันหายไปทำให้เกิดความไม่อยากขึ้นมามก็ทรงเห็นว่าต้องใช้ความจริงมาสอนใจว่าสิ่งที่ความอยากต้องการนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา<ม>สิ่งต่างๆที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรา<ม>เช่นลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้ถึงแม้มันจะเป็นความสุขแต่มันก็เป็นความสุขชั่วคราว มันเป็นความสุขแบบควันไฟได้มาแล้วเดี๋ยวก็จางหายไปพอจางหายไปมันก็ทำให้ความสุขที่ได้หายไปแล้วทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาใหม่เกิดความรู้สึกขาดอะไรขึ้นมาใหม่ก็อยากจะหาใหม่ขึ้นมาใหม่เกิดความอยากขึ้นมาใหม่พอเกิดความอยากใจก็อยู่ไม่เป็นสุขใจก็จะเริ่มกระเพื่อมกระวนกระวายกระสับกระส่ายหงุดหงยดลาคาญใจ จนกว่าจะได้สิ่งที่อยากได้มาพอได้มาความหุดหงิดลำคาญใจก็จะสงบตัวไปชั่วคราวความสุขก็เกิดขึ้นชั่วคราวแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปมันมาเป็นเหมือนเราลอกเป็นเหมือนกับเราลอกของคลื่นในทะเลเนี่ยมันมาแล้วก็ซัดขึ้นฝั่งแล้วมันก็มีลูกที่สองลูกที่สามตามมาอยู่เรื่อย ความอยากในใจของเรามันก็มาเป็นระลอกอย่างนี้ยพอระลอกแรกได้ความสุขหมดไประลอกที่สองก็เข้ามาใหม่อยากได้นู่นอยากมีนี่ใหม่ต่อไป <c oughs> ใจของเราก็เลยไม่มีความสุขเวลาที่ออกมาจากสมาธิ <c oughs> เพราะจะถูกความอยากเหล่านี้คอยรบกวนใจคอยก่อกวนใจอยู่เรื่อยๆนั่นเองดั <c oughs> งนั้นถ้าเราอยากจะกําหนัด กาจัดความอยากเหล่านี้หลังจากที่เราออกจากสมาธิมาเราก็ต้องศึกษามองให้เห็นว่าโลกกระทำที่ใจอยากได้นี้มันไม่เทีย่ยงมัน <c oughs> มันเกิดแล้วดับมันมาแล้วไปบางทีได้มาแล้วยังไม่ไปแต่ความสุขที่ได้จากมันมันก็หมดไปแล้วได้ได้ยศชั้ขั้นหนึ่งก็ดีใจไปไม่กี่วันเดี๋ยวก็อยากจะได้ขั้นที่สูงต่อไป ความสุขที่ได้จากขั้นแรกมันหมดไปอยากจะได้ความสุขใหม่ก็ต้องก็ต้องได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งขึ้นไปใหม่เห็นต้องเห็นต้องพิจารณาให้เห็นว่าลาบยศสารเสริญสุขนี้มันไม่เที่ยมแล้วมันก็เป็นไม่ใช่เป็นของเราวันดีคืนดีมันจะไปจากเราเมื่อไหร่ก็ได้วันดีคืนดีมันจะเปลี่ยนพลิกหน้ามือเป็นหลังมือก็ได้ เราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ราบยศเสรเสริญสุขนี้เราไปควบคุมบังคับไปสั่งให้มันอยู่กับเราเป็นของเราให้ความสุขกับเราไปตลอดไม่ได้ น, นอกจากราบยศเสะเสริญสุขแล้วเรายังมีอย่างอื่นที่ละใจเราไปอยากด้วยก็คือร่างกายของเราเนี่ยร่างกายของเราเราก็ไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่เราก็ไปห้ามมันไม่ได้น ร่างกายมันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องแก่มันก็ต้องเจ็บมันก็ต้องตายไปตามธรรมชาติของมันพอเราไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเรามองความเป็นจริงแล้วว่าเมื่อเราห้ามมันไม่ได้มันเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเราก็ต้องหัดทําใจอยู่กับมันไป ทำไมเราไม่ค่อยทุกกับดินฟ้าอากาศก็เพราะว่าเรารู้ว่าเราไปสั่งมันไม่ได้ไปห้ามมันไม่ได้เราก็เลยต้องทำใจอยู่กับมันไปร้อนเราก็อยู่กับมันไปหนาวเราก็อยู่กับมันไปฝนตกเราก็อยู่กับมันไปมันแรงเราก็ต้องอยู่กับมันไปเพราะว่ามันเป็นอนัตตามันเป็นสิ่งที่ไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมบังคับของใจของเรา แต่ใจสามารถอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์ถ้าใจตัดความอยากออกไปจากใจให้ได้ตัดภาวะตัณหาความอยากให้ธรรมชาติเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้อากาศเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราตัดไปเราก็เลยไม่ค่อยทุกข์กับเรื่องของดินฟ้าอากาศวิภาวะตัณหาเราก็ตัดไปเวลาดินฟ้าอากาศเป็นยังไงเราก็ไม่ได้ไปอยากให้มันหายไป ก็รู้ว่าเราสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราที่ใจนี้มาครอบครองนี้เป็นแบบนั้นทั้งนั้นเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาตร่างกายนี้ก็เป็นอนิจจังอนัตตาเวทนาความรู้สึกที่เกิดขึ้นมันก็เป็นอนิจจเหมือนกันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวก็สุขคเวทนาเดี๋ยวก็ทุกขคเวทนาเดี๋ยวก็ไม่สุขไม่ทุกขคเวทนา เราจะไปสั่งว่าต่อไปนี้ให้มีสุ ข, ขเวทนาอย่างเดียวนะถ้าไม่มีทุกขเวทนาที่นี่ปลอดเขตปลอดทุกขเวทนาเขียนติดป้ายไหมมันก็ไม่ฟังเดี๋ยวมันก็มาหาเราฉลองมันเกิดกันเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวใครส่งข่าวไม่ดีมามาเจ้านี่จะมายึดลดไปนี่ก็งานความสุ ข, ขเวทนาที่ได้จากงานเลี้ยงฉลองก็หายไปความทุก ที่จะต้องสูญเสียรถยนต์ไปมันก็เข้ามาแทนที่แต่แต่ใจของเราไม่ไม่ทุกข์กับเวทนาต่างๆได้ถ้าเราไม่ไปยึดไปติดถ้าเรายอมรับมันตามสภาพความเป็นจริงของมอนของมันเหมือนเราก็ยอมรับสภาพของดินฟ้าอากาศเดี๋ยวฝนจะตกก็ให้มันตกไปเดี๋ยวมันจะร้อนก็ให้มันน้อนไปเราก็จะไม่ทุกข์กับมัน ตอนต้นนี้เราต้องพิจารณาโลกธรรมก่อนที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยพอเราปล่อยวางโลกธรรมได้เราก็ไปอยู่แบบนักบวชได้แต่พอเราไปอยู่แบบแบบนักบวชเราก็ไปติดกับร่างกายกับเวทนาต่อเรายังอยากให้ร่างกายเราแข็งแรงอยากให้ร่างกายเราไม่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่ตายแต่พอมันจะเป็นขึ้นมาเราก็ทุกข์ขึ้นมาทันที เช่นเดียวกับเวทนาเวทนาเราก็อยากจะให้มันสุ ข, ขเวทนาอย่างเดียวไม่อยากให้มันทุกขเวทนาเกิดขึ้นแต่เดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วมันก็มาอยู่ดีเดี๋ยวก็เจ็บไข้ได้ป่วยเดี๋ยวเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้หรือเวทนาเกิดจากการไปเจอคนหรือสิ่งที่เราไม่ชอบมันก็เกิดเวทนาขึ้นมาได้เหมือนกันเห็นเราก็ต้องมาสอนใจว่าอย่าไปอยากกับเวทนาอย่าไปอยากกับร่างกาย อย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้ mm hmm. เพราะมันจะทำให้ใจเราทุกข์ mm hmm. ถ้าเราไม่อยากให้ใจเราทุกข์เราก็ปล่อยให้มันเป็นไปแล้วปรับใจเราให้อยู่กับมัน mm hmm. มันทุกข์เขเวทนาก็อยู่กับมันไปร่างกายมันแก่ก็อยู่กับมันไปร่างกายมันจะตายก็อยู่กับมันไปให้มันตายไป mm hmm. พอเราพิจารณาเห็นว่ามันเป็นอนิจจ์อนัตตา เราก็จะดับความทุกข์ได้ดับทับทุกข์ังได้แต่ถ้าเราไม่พิจารณาเราก็จะเกิดตัณหาความอยากอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยากให้เวทนามีแต่สุ ข, ขเวทนาอย่างเดียวพอมันเกิดเป็นทุกขเวทนามันก็จะทุกขขึ้นมาทันทีอันนี้ก็เป็นเรื่องของปัญญาที่เรียกว่าวิปัสสนาที่สมาธินี้ทำไม่ได้สมาธิเพียงแต่หยุดความคิด เพื่อไม่ให้มันผลิตความอยากผลิตความทุกข์แต่พอพอปล่อยมันคิดมันก็จะผลิตความอยากผลิตความทุกข์ขึ้นมาใหม่วิธีที่จะทำให้มันไม่คิดไปในทางความอยากทางความทางความทุกข์ก็คือให้เห็นว่าสิ่งที่อยากได้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอรู้ว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความอยากที่อยากจะได้มันก็หายไปอยากให้ร่างกายแก่ ถ้าอยากเราอยากให้ร่างกายไม่แก่แล้วทุกข์ล้วก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ไปอยากมันดีกว่าเพราะอยากไม่อยากมันก็แก่อยู่ดี <maneuver ing> ไม่เปลี่ยนความจริงไม่ได้ร่างกายนี้ต่อให้อยากหรือไม่อยากมันก็แก่อยู่ดีเพียงแต่ว่าถ้าอยากไม่แกแ่แล้วมันจะทําให้ใจทุกข์ไปด้วยเท่านั้นเองแต่ใจนี้สามารถที่จะไม่ทุกข์กับความแก่ของร่างกายได้เพราะเรารู้ว่าความทุกข์ของใจนี้เกิดจากความอยากไม่แก่ ของร่างกายนี้อยากอยากไม่ให้ร่างกายไม่แก่งั้นพอหยุดความอยากนี้ได้ยอมรับว่ามันมันก็ต้องแก่เราเปลี่ยนมันไม่ได้มันเหมือนดินฟ้าอากาศฝนมันจะตกแล้วจะไปอยากให้มันไม่ตกไม่ได้เดี๋ยวมันก็ตกของมันเราก็ทําใจเฉยๆอย่าไปอยากเนี่ยนี่ทำไมเราถึงต้องฝึกสมาธิก่อน ว่าถ้าเราไม่ฝึกสมาธิเราจะไม่รู้จักวิธีทําใจให้เฉยๆคือทําให้ใจเป็นอุเบกขาแต่ถ้าเราฝึกสมาธิแล้วเราจะรู้ว่าอุเบกขานี้เป็นยังไงแล้วจะทำยังไงให้มันเป็นอุเบกขาได้พอเราไปเจอสิ่งที่เราอยากได้หรือไม่อยากได้ขึ้นมาแล้วทําให้ใจเราทุกเราก็สอนใจให้ให้วางเฉยนะเฉยๆอยู่ในอุเบกขาดีกว่านะ วทเคยเข้าหาอุเบกขาอย่างไงก็กลับไปหามันใหม่แบบนั้นเคยเข้าหาอุเบกขาด้วยพุโทโธก็พุโทโธพุโทโธไปเคยหาอุเบกขาด้วยการดูลมก็ดูลมไปแต่ต่อไปเวลามันชํานาญแล้วไม่ต้องดูลมไม่ต้องพุโทโธก็ได้เพราะสามารถเข้าถึงตัวอุเบกขาได้ทันทีเลยแต่ใหม่ๆนี้ยังต้องใช้เครื่องมือพาเข้าไปก่อนแต่ต่อไปพอสติมีกําลังมากพอนี้ สั่งให้มันเฉยได้ทันทีพอรู้ว่ากำลังทุกข์เพราะความอยากก็สั่งให้มันหยุดความอยากได้ทันทีถ้าไม่หยุดถ้าไ ม, ไม่หยุดก็ใช้ภาพของความทุกข์มาหยุดมันก็ได้ว่าถ้าถ้าไปอยากแล้วเดี๋ยวจะต้องทุกข์ต้องวุ่นวายไปหาเงินหาทองไปหาอะไรมาแล้วต้องมาคอยดูแลรักษาสิ่งต่างๆที่เราหามาได้สู้อยากไปมีมันดีกว่าไม่มีแล้วสบายใจกว่า นี่คือเรื่องของปัญญาต้องมองเห็นทุกข์ให้ได้เห็นทุกข์ในสิ่งต่างๆที่ใจอยากได้อยากได้อะไรอยากได้ลาบยศสารเสริญก็ทุกข์ทุกข์ว่าเดี๋ยวมันจะต้องเสือ่อมหรือถ้าได้มาแล้วก็ต้องทุกข์กับการดูแลรักษาปกป้องร่างกายก็เหมือนกันได้ร่างกายมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องคอยปกป้องดูแลรักษาแล้วดูแลยังไง ร, รักษายัางไงมันก็รักษาไม่ได้เต็มร้อยตลอดเวลา เดี๋ยวก็ต้องเจอกับความแก่เจอกับความเจ็บเจอกับความตายแล้วม่ว่าจะได้อะไรมานี้มันจะต้องมีความทุกข์มาเสมอให้เรามองให้เห็นความทุกข์จากสิ่งที่เราอยากได้แล้วมันก็จะทำให้เร า, เาหยุดความอยากได้ต่อไปเราจะไม่คิดอยากได้อะไรเพราะรู้ว่าพอคิดอยากว่ามันก็จะทำให้ใจเราทุกข์ขึ้นมาทันที สูอยู่กับความสงบดีกว่าอยู่กับความไม่ไม่มีความอยากดีกว่าเวลาไม่มีความอยากแล้วใจนิ่งใจสบายใจเป็นสุขอันนี้เป็นความสุขที่ได้จากการหยุดความอยากการทำลายความอยากซึ่งเป็นเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการทำาตามความอยากเพราะความสุขที่ได้จากการทำตามความอยากเป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไป แล้วความอยากก็ไม่หมดความอยากก็ผลิตความทุกข์ขึ้นมาใหม่อยู่เรื่อยๆแต่พอเราหยุดความอยากได้โดยไม่ทำตามความอยากวิธีที่จะทำให้ความอยากหมดไปจากใจพอเราเห็นว่ามันนำไปสู่ความทุกข์เราก็ไม่ทำมันพอเราไม่ทำมันไปสักระยะหนึ่งมันก็จะหายไปเหมือนคนที่ติดอะไรนี่พอเห็นว่าติดแล้วมีปัญหาติดแล้วจะต้องทุกข์ก็เลิกเลิกติดไม่ไปหามันไม่ไปทามัน พอเลิกไปสักพักมันก็หายความอยากที่จะไปทำมันก็หายไปคนที่อยากสูบบุหรี่พอเห็นว่าสูบบุหรี่แล้วทุกจะทำให้ชีวิตสั้นนะทำให้มี โ, โรคโรคปอดโรคอะไรต่างๆก็เวลาอยากก็ฝืนไม่ไปสูบมันพอไม่ไปสูบมันสักพักหนึ่งความอยากที่เคยสูบเคยอยากมันก็หายไปต่อไปก็ไม่ติดบุหรี่เห็นบุหรี่ก็รู้สึกเฉยเฉยไม่รู้สึกเดือนร้อนอะไร ความอยากตา่างๆนี้เราสามารถที่จะกาจัดมันได้หมดด้วยการใช้ปัญญาคือใจหลักให้มันเห็นสิ่งที่มันเห็นแล้วจะทำให้เรากลัวหรือไม่ชอบไม่อยากได้ก็ต้องเห็นทุกข์เห็นทุกข์ในสิ่งที่เราอยากได้แล้วต่อไปความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราก็จะหายไปหมด พอไม่มีความอยากแล้วทีนี้เราก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้ร่างกายอีกต่อไปร่างกายจะแก่ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะตายเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราปล่อยให้มันแก่ปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายได้เพราะเราไม่มีความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วเพราะเราไม่ต้องพึ่งมันแล้วไงแต่ถ้าเรายังต้องพึ่งมันอยู่เราก็ต้องอดไม่ได้ที่ยังอยากให้มันไม่แก่อยากให้มันไม่เจ็บอยากให้มันไม่ตายเราก็ยังจะต้องทุกข์กับมันต่อไป แต่พอเราตัดความอยากทั้งสามที่มีอยู่ในใจหมดไปได้แล้วทีนี้ความอยากกับเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายก็หมดไปร่างกายจะแกะ่ไม่แก่ไม่เป็นปัญหาจะเจ็บไม่เจ็บไม่เป็นปัญหาจะตายหรือไม่ตายไม่เป็นปัญหาแล้วนอกจากนั้นมันก็จะไม่ไปหาร่างกายอันใหม่ด้วยเพอะร่างกายอันนี้ตายไปแล้วมันก็ยุ ต, ติการไปเกิดใหม่เพราะมันไม่ต้องใช้ร่างกายอันใหม่เป็นเครื่องมือ พราะใจมันมีความสุขที่สมบูรณ์อยู่ในตัวของมันเองนั่นเองนี่ที่เป็นความสุขของพระนิพพานเนี่ยนิบานังปรามังสุขค่นิพพานก็คือใจที่ได้กำจัดความอยากทั้งสามให้หมดสิ้นไปจากใจทำให้ใจนี้ไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในใจมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวอันนี้แหละเป็นเป็นผลที่จะเกิดจากการปฏิบัติของพวกเรา จากการที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาและการที่เราจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาก็เกิดจากการที่เราได้ร่างกายจากพ่อแม่ของเรานี่เองร่างกายของเราอันนี้เป็นร่างกายที่วิเศษกว่าร่างกายที่เราเคยได้มาเพราะว่าร่างกายอื่นนี้เราอาจจะได้มาแต่เราอาจจะไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแต่ร่างกายอันนี้เป็นร่างกายที่สำคัญเป็นร่างกายที่วิเศษกว่า พราะเป็นร่างกายที่พาให้เราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เราได้มาเรียนรู้ความจริงว่าความสุขความทุกข์ของเรานี้มันเกิดจากอะไรและมาเรียนรู้วิธีที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราให้หมดสิ้นไปดังนั้นพระคุณของพ่อแม่ของคนของเราอของพวกเราในชาตินี้จึงถือว่าเป็นเป็นพ่อแม่ที่มีพระคุณอย่างยิ่งกับพวกเรา พรอถ้าพ่อแม่ไม่ให้กำเนิดกับร่างกายเราเนี่เราก็จะไม่ได้มาเจอกับพระพุทธศาสนาเราก็ยังจะต้องไปหาความสุขจากร่างกายไปเรื่อยๆแล้วก็จะต้องทุกข์กับเวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายไปเรื่อยๆ อ, อย่างไม่มีวันสิ้นสุดนี่แหละคือพระคุณอันยิ่งใหญ่ของแม่และของพ่อของพวกเราที่พวกเราได้เอาเวลาวันแม่นี้มารำลึกถึง ดังนั้นถ้าแม่ยังอยู่ก็ไปดูแลแม่ดูแลพ่อให้ดีพ่อแม่เป็นเหมือนพระอรหันต์ของลูกๆทำบุญกับพ่อกับแม่ก็เท่ากับได้ทำบุญกับพระอรหันต์ได้บุญมากทำบุญกับพ่อแม่ให้เรียบร้อยก่อนให้พ่อแม่อยู่ดีกินดีก่อนแล้วค่อยไปทำบุญกับพระต่อพระอรหันต์พระอริยะเจ้าต่อไปเพื่อที่จะได้ศึกษาจากพระพุทธธรรมพระสงฆ์วิธีที่จะทาให้เรา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 อิชิตังปะทิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัเพปเรนตุสังกัปาจันโทปนะราโสยธามณีโชติราโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุ มาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะพิวะธนสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจัตารุธมมมวาทานติอายุวันโสุขังอาลาง ลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถาม <c oughs> ก็เชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่อยากจะถามเองเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่ Facebook พระอาจารย์สุชาติพิชาโต3ามรอดสิค่ะ เฟซบุ๊กพ่อจอสุชาติอภิชาโต42ยอดรวมเฟซบุ๊กสี2ร้อยยี่สิบสวิทยุออนไลน์12 zoom เผู้รับฟังหน้ากุฏิ189รวมทั้งหมด800ท่านค่ะมีคําถามก็เชิญถามได้เลยครับขอกราบเรียนถามท่านอาจารย์นะครับที่เมื่อกี้เรื่องอทํำยังไงให้ พบกับความสุขที่แท้จริงหรือว่าหลุดพ้นจากความทุกข์นะครับผมก็เลยมาคิดว่าถ้าเกิดเร า, อ, าอยู่บ้านให้ได้มากที่สุดหมายถึงคนที่เป็นวัยกำลังทํางานก็วันหยุดก็ให้อยู่บ้านสาหรับคนที่ปอดกรเสียแล้วก็ให้อยู่บ้านให้มากที่สุดเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปเจอกับ กิเลสปัญหานอกบ้านอันนี้ไม่ทราบว่าท่านพระอาจารย์คิดยังไงครับก็ถูกต้องการที่เราจะหาความสุขในตัวเราเราก็ต้องไม่ออกไปข้างนอกก็ออกไปข้างนอกแล้วใจมันก็จะอดไม่ได้ที่อยากจะซื้อนู่นซื้อนี่ทานู่นทานี่มันก็ต้องเสียเงินเสียทองแล้วก็วุ่นวายกับการหาเงินหาทองแต่ถ้าอยู่บ้านได้เราก็จะตัดปัญหาเรื่องเงินทองไปได้ แล้วมีความสุขได้แล้วเพราะถ้าไม่อยู่บ้านมันก็ออกไปข้างนอกมันทำความสงบไม่ได้มันต้องเคลื่อนไหวไต้องทำอะไรอยู่ตลอดเวลาต้องใช้ความคิดตลอดเวลาการจะทำใจให้สงบนี้มันต้องหยุดคิดให้ได้ต้องไม่ไม่เกี่ยวข้องกับใครเพราะถ้าเกี่ยวข้องกันก็ต้องคุยกันพูดกันงั้นถ้าอยู่บ้านได้แล้วอยู่คนเดียวได้ ย, ยิ่งดี เลยถ้าอยู่บ้านหลายคนนะเขารู้ว่าเราต้องการไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครก็ต่างคนต่างอยู่กันไปแล้วก็จะได้มีเวลามาทำใจให้สงบเป้าหมายก็คือต้องการทำใจให้สงบจะสงบได้ก็ต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครเพราะยุ่งเกี่ยวก็ต้องคิดต้องพูดต้องมีการตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาฉะนั้นอยู่บ้านได้ หรือถ้าบ้านมันวุ่นวายก็ไปอยู่วัดเสียไปหาวัดที่สงบว่าจะได้มีเวลาได้สร้างความสุขภายในกันพอมีความสุขภายในแล้วต่อไปมันก็ไม่อยากจะไปไหนเองมันอยากจะอยู่คนเดียวอยู่ที่สงบ okay. คําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเจ้าค่ะ ถามว่าจิตเกษมคือจิตอย่างไรเจ้าคะและเมื่อมีแล้วจ ะ, จะยังคงภาวะเช่นนั้นตลอดไปหรือไม่หรือมีเฉพาะพระอาหารหันต์เท่านั้นเจ้าคะก็ถึงต้องเป็นพระอาหารหันต์เท่านั้นเธอจะได้ความสุขแบบถาวรแบบไม่ขึ้นขึ้นลงลงแต่ความสุขระดับอื่นนี้ยังมีการขึ้นขึ้นลงลงอยู่ แม้จะเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่ขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามก็ยังมีความทุกข์สลับกับความสุขอยู่มีระดับของพระอหรหันต์เท่านั้นที่ไม่มีความทุกข์เข้ามาในจิตใจต่อไปเลยความสุขก็เลยเป็นความสุขที่สเสถียรที่ไม่ขึ้นไม่ลงที่ไม่หมดไม่หายท่านถึงเรียกว่าปรมังสุขขังความปรเสรของจิตเพราะไม่มีกิเลสความอยากที่จะมาคอยสร้างความทุกข์ให้กับใจนั่นเอง คำถามจากคุณไอซ์เบอรี่ค่ะเรียนถามพระอาจารย์หนูนั่งสมาธิรู้สึกถึงกายรวมเป็นหนึ่งเห็นจิตสงบดีอยู่ในความว่างเห็นฐานของกายและฐานของจิตอยู่คนละฐานกันนั่งก็นิ่งอยู่แบบนั้นออกแล้วก็นั่งใหม่ก็เป็นแบบนั้นควรปฏิบัติหรือแก้ไขแบบไหนต่อไปคะก็ควรสลับทำวิปัสสนากับสมาธิ เวลาออกจากสมาธิมาก็เริ่มผัดพิจารณาร่างกายพิจารณาใจรักษณเราติดกับเรื่องอะไรอยู่ก็พยายามพิจารณาให้เห็นว่าเป็นทุกข์เห็นว่าเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาจะได้ปล่อยวางได้จะได้เลิกไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเขาได้พอเราไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเขาเราก็จะไม่ทุกข์กับเขาอีกต่อไปถ้าเรายังไปยุ่งเกี่ยวอยู่เดี๋ยวก็ต้องทุกข์นั่นก็ต้องพิจารณาสลับกับการทําสมาธิ ถ้าเรายังทุกข์กับเรื่องอะไรอยู่ก็ต้องพิจารณาเรื่องนั้นเพื่อให้ปล่อยวางให้รู้ว่าเราไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้เขาจะต้องเป็นไปตามความเป็นจริงของเขาเขามีเจริญมีเสื่อมมีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีขึ้นขึ้นลงลงสวันดีสี่วันไข้เราจะไปหวังให้เขาดีไปตลอดนั้นมันก็เป็นไปไม่ได้แล้วมันก็จะทําให้เราทุกข์เวลามันไม่เป็นไปตามความอยากของเรา แต่ถ้าเราไม่มีความอยากกับเขาปล่อยเขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเราก็จะไม่ทุกข์กับเขาพิจารณาตายรักเพื่อให้เราปล่อยวางเขาแต่การปล่อยวางไม่ได้ไหมายความว่าทอดทิ้งกันไม่ดูแลกันถ้ามีหน้าที่ยังดูแลกันก็ดูแลกันไปแต่ไม่มีการไปหวังไปอยากให้เขาเป็นไปอย่างนั้นก็เป็นอย่างนี้ดูแลไปตามหน้าที่ทาหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด แต่เขาจะเป็นอะไรก็เป็นเรื่องของเขาที่เราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนได้คำถามจากคุณไอซ์เบอร์รี่อีกคำถามคะ่ะเพราะเหตุใดถึงจำเพาะว่ามีแต่การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นถึงจะสามารถอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วได้การถวายสังฆทานหรือนั่งสมาธิแบบสมถะถึงรับยังไม่ได้คะไม่รู้ว่ามาจากที่ไหนนะแลที่ พระพุทธเจ้าทรงสอนก็ให้อุทิศบุญด้วยการทําทานแต่ท่านไม่ได้สอนให้อุทิศด้วยการภาวนาหรือด้วยการรักษาศีลมันมีเรื่องพระเจ้าแผ่นดินรูปหนึ่งท่านฝั น, นร้ายมันมีมีอะไรเสียงมาก่อกวนภายในพระราชวงังก็ไปสอบถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกเป็นดวงวิญญาณของมหาดเล็กของท่านอํามาตะไม่ใช่าอมามตะเคยรับใช้ท่านในอดีต ตันนี้ไปตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อน<ม>ก็มาขอส่วนบุญ<ม>ก็ขอให้พระราชาทำบุญอุทิต<ม>ทาบุญทาทานอุทิตไปไม่ได้สอนให้ไปนั่งสมาธิให้ไปรักษาศีลไปภาวนาเพราะหนึ่งมันไม่ได้อยู่ในฐานะของคารวทผู้ครองเรือนที่จะไปทำอย่างนั้นได้ท่านก็เลยสอนตามฐานะ ข, ของของคารของผู้ที่ยังไม่สามารถรักษาศีลปฏิบัติทําได้อย่าง เต็มที่ก็ให้ทำบุธบุญด้วยการทำทานไปคำถามจากคุณพระสอนรัฐค่ะพระอาจารย์เจ้าคะคาว่าสมะคำว่าสมถธะกับวิปัสสนาเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเจ้าคะสมถธะก็แปลว่าการทำใจให้สงบเป็นสมาธิเรียกว่าสมถธะวิปัสสนาคือการทำให้ใจรู้แจ้งเห็นจริง กับสภาวะธรรมที่มีอยู่ในใจและนอกใจคือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสิ่งที่อยู่ในนอกใจได้เห็นอริยสัจสีที่มีอยู่ภายในใจเรียกว่าวิปัสสนาเพราะถ้ารู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็จะพ้นทุกข์จะไม่ไม่สร้างความทุกข์เพราะความทุกข์เกิดจากกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจนั่นเอง พอเห็นจะรู้แจ้งเห็นจริงว่าทุกตอนนี้ทุกเกิดเพราะความอยากก็หยุดความอยากได้พอหยุดความอยากได้ทุกก็จะหายไปคะคำถามจากคุณจิริชัยคะ่ะขณะที่เรานั่งอยู่ในสวนรู้สึกสงบและมีความสุขมีนกบินมาและเจรเราไปชื่นชมกับความงามของนกและมีความสุขแบบนี้ถือว่าติดอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงและโพธิภะใช่หรือไม่ครับ ก็รูปเสียงของนกไม่ใช่เลยที่ทำให้เรามีความสุขพอรูปเสียงของนกหายไปมันก็ทำให้ความสุขหายไปความเหงาความว้าเหวก็เข้ามาแทนที่ก็ต้องคอยหารูปเสียงของนกมาให้ความบันเทิงอยู่เรื่อยๆถ้าไม่มีความสามารถที่จะทำได้ก็จะทุกข์ คำถามจากคุณแอนโบเลอร์ค่ะเราควรจะระลึกถึงความตายอย่างไรดีเจ้าคะควรนึกว่าอีกไม่นานเราต้องตายหรือนึกว่าความตายจะต้องมาถึงเราสักวันหรือนึกว่าเราไม่พ้นความตายอย่างไรดีเจ้าคะได้ทั้งนั้นเน่เพื่อไม่ให้เราลืมว่าเราต้องตายกันแล้วกันจะจะเอาแบบพิสดารแบบแบบแบบเต็มร้อยก็เอาแบบพระพุทธเจ้าสอนพระอนุน พระเจ้าสอนอาโนนว่าอานนนให้เธอพิจารณาความตายแบบนี้ว่าเวลาหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายเวลาหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายเนี่ยความตายมันอยู่แค่ปลายจมูกนี่อยู่ที่มันมันหยุดหายใจเมื่อไหร่แล้วไม่มีใครรู้ว่ามันจะหยุดหายใจเมื่อไหร่จะไปคิดว่าอีกอีกข้าศิตร์ปีอีกยี่สิบปีไม่มีใครไปกําหนดได้ คำถามจากคุณแอสโปลเลย์คำถามค่ะยักษ์นอกศาสนาคืออะไรเจ้าคะได้ยินว่าเคยได้ยินว่ายักษ์นอกศาสนาจะรบปลาฆ่าฟันกันเองเจ้าค่ะยักษ์ก็หมายถึงคนไม่ดีทั้งหลายนั่นคนที่ไม่มีศีลไม่มทำอะไรก็เรียรกว่าพวกยักษ์ก็เป็นพวกมนุษย์เราเนี่ยที่เป็นคนที่ไม่มีความเมตตากรุณาต่อกันมีควางโหดเหี้ยมมีความอาฆาตพยาบาทต่อกันกเน็เป็นพวกยักษ์ มีแต่เบียดเบียนกันตรงนี้ก็มีทุกแห่งทุกหนมันก่อนก็ยังเจอเนี่ยมันก่อนเข้าไปในซูมยักษ์มันก็เข้ามารบกวนะมาส่งเสียงดังก้องก้งแล้วก็ด่าคนนั้นด่าคนนี้ดา่าไทางทางเอียดผิวเพราะเห็นว่ามีคนผิวดำอยู่ตรงนี้ก็เป็นพวกฮิตเลอร์ก็มีก็มีธงของฮิตเลอร์โผล่ขึ้นมาแล้วก็บอกว่าด่าคนคนผิวดำ เราก็เลยต้องเชิญเขาออกไปตอนนี้มันเป็นอย่างนีมน้มันมีความสุขจากการไปเบียดเบียนพูดอย่างพวกนี้พวกยักษ์คาถามจากคุณกุลธิดาค่ะขอโอกาสเรียนสอบถามเรื่องการเดินจงกรมค่ะเวลาโยมเดินจงกรมจะเอาความรู้สึกไว้ที่เท้ากระทบพื้นเท้าขวาภาวนาพุทธเท้าซ้ายภาวนาโทถูกต้องหรือไม่เจ้าคะ ก็ดูว่าหยุดความคิดได้หรือเปล่าถ้าหยุดความคิดได้ก็ถูกต้องต้างหมายของการเจริญสติก็เพื่อควบคุมความคิดไม่ให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ให้ไปอดีตไม่ให้ไปอนาคตให้อยู่ในปัจจุบันให้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกาย คำถามจากคุณสีเทียมค่ะอยากถามว่าเวลานั่งสมาธิแล้วเห็นภาพของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือภาพของเรื่องที่เหมือนยังไม่ได้เกิดขึ้นอยากทราบว่าคืออะไรคะเราจะมีวิธีตั้งจิตคิดอย่างไรว่าสิ่งที่เห็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหรือจิตเราปรุงแต่งไปเองคะไม่ต้องไปสนใจถ้านั่งสมาธิให้สนใจอยู่กับองค์ภาวนาของเรา ถ้าเราดูลมก็ให้ดูลมอย่างเดียวถ้าพุโทโธก็พุโทโธไปอะไรจะปรากฏขึ้นมาไม่ต้องไปรับรู้ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปนั่งคิดว่าเป็นนู่นเป็นนี่มันจะเป็นมันเป็นมายาทั้งนั้นอ่ะมันเป็นภาพลวงองนั้นไม่ต้องไปสนใจดีถ้าสนใจก็เลยไม่ได้นั่งสมาธิไปนั่งคิดค้นคว้าหาว่านี่เป็นอะไรมาจากไหนเสียเวลาเปล่าๆ เ, เหมือนับนิทานเนี่ยมีคนถูก ยิงด้วยธนูแล้วมีหมอมาช่วยหมอจะดึงธนูออกรักษาแผลให้คนที่ยิงธนูบอกหมออย่าเพิ่งทําหมอไปตรวจดูก่อนว่าคนยิงเป็นชายเป็นหญิงเป็นชายเ ป, ชเป็นชาติชั้นวรรณะใดมีอายุเท่าไหร่มีครอบครัวหรือไม่ถ้าไปหาไปค้นคว้าหาความรู้เหล่านี้ก็ตายซะก่อนฉะนั้นเราให้รู้รความสําคัญว่าอันไหนสําคัญก่อนกัน ถ้าถูกยิงก็ต้องรีบรักษาให้มันหายส่วนคนยิงนี่ค่อยไปรู้ทีหลังก็ได้เวลานั่งสมาธิเราก็ต้องการความสงบต้องการความสงบเราก็ต้องอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมไปอะไรจะปรากฏขึ้นมาจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นอะไรก็อย่าไปสนใจปล่อยมันไปไว้ให้เรามีสมาธิก่อนแล้วเรามีอยู่ขั้นปัญญาแล้วเราค่อยไปคิดพิจารณาดูทีหลังต่อไปก็ได้ แต่ขั้นทาสมาธินี้ห้ามคิดห้ามค้นคว้าอะไรทั้งสิ้นต้องการหยุดหยุดความคิดหยุดความรู้สึ ก, อ ย, กอยากรู้นู่นอยากรู้นี่หยุดมันให้หมดให้มันนิ่งเฉยอย่างเดียว คำถามจากคุณแพตตี้ค่ะปัจจุบันหลังจากว่างจากการไปทำงานเช่นวันหยุดชอบปฏิบัติอยู่คนเดียวที่ห้องพักเพราะมีความสงบใจดีโดยไม่ได้ไปสแสวงหาวัดที่ไหนอย่างนี้ทำถูกต้องหรือไม่เจ้าคะถูกต้องวัดก็คือที่สงบนะถ้าเป็นวัดแล้วมีมหารสพบันเทิงก็ไม่ใช่วัดที่แท้จริงวัดบางวัดนี่เขาจะมีงานเยอะมีงานศพมีงานสมโพธมีงานอะไรต่างๆ ถ้าไปวัดแบบนั้นก็ไปไม่ถึงวัดนะวัดของพระพุทธเจ้านี้เป็นที่สงบเพระพุทธเจ้าตัดทะลุที่ไหนที่วัดของท่านที่วัดของพระพุทธเจ้าก็คือใต้โคนต้นโพในป่านี่ <Okay. S 1> คือต้องเป็นที่สงบถึงจะเรียกว่าเป็นวัดจริงถ้า <Okay. S 1> เป็นวัดที่มีโบสถ์มีเสมีเจดีย์มีศาลาแต่มีเสียง อ, อกกึกทึกคลุกโคลนอันนี้ไม่ใช่เป็นวัดเนี่ย คำถามจากคุณนัทค่ะปกติผมพยายามรักษาศีลห้าแต่ช่วงข้อพรรษานี้เริ่มตั้งใจว่าจะรักษาศีลแปดทุกวันพระแต่วันนี้ข้อวิกาลโภชนาและอภพ ร, รมจาจริยาเนื่องจากจำมันผิดอย่างนี้ต้องแก้ไขยอย่างไรหรือไม่ครับรักษาไม่ได้ไรักษาไม่ได้ครับอาจารย์ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็รู้ว่าไม่ได้พ ร, พรุ่งนี้ก็ทําแทนก็ได้ทดใช้ได้แต่วันนี้ไม่ได้ก็ ทำสองวันทำชดเชยวันหนึออ่งค่ะคำถามจากผู้ฟังธรรมน้ากุติคะ่ะเวลาหนูนั่งสมาธิแล้วจิตมันตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาถึงเวลานอนก็ไม่ยอมนอนแต่กายไม่ไหวแล้วต้องไปหาหมอหมอก็ให้ยานอนหลับมากินจิตมันก็ไม่หลับยังตื่นตัวจะทำอย่างไรดีเจ้าคะไม่หลับก็ดีสิบางคนก็ถือในสัตชิกันเพื่อไม่ให้มันดับนะถือสารวิยาบทไป ถือว่าเรามีบุญไม่ต้องบังคับมันส่วนใหญ่คนต้องต้องบังคับให้มันไม่หลับกันคุณนโชคดีไม่ต้องบังคับมันไม่หลับมันไม่หลับคุณก็เดินจงกรมนั่งสมาธิไปสิโอกาสทองมาแล้วยังประหยากมันหลับทําไมเดี๋ยวมันร่างกายมันเหนื่อยจริงๆมันดับของมันเองอะมันไม่ต้องกลัวมันจะไม่ดับกลัวกลัวมันไม่ไม่มันจะหลับมากกว่าไม่หลับถ้ามันไม่หลับมันถือว่า เป็นเป็นบุญของเราเป็นโอกาสดีไม่ต้องไปถือในสัจฉิกไม่ต้องไปบังคับมันในสัจฉิกโดยอัตโนมัติอย่างถ้าไม่หลับก็พุโทโธไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมไปหรือนอนสมาธิไปก็ได้นอนสมาธิไปเดี๋ยวบางทีมันก็หลับได้แต่อย่าไปอยากหลับยิ่งอยากมันยิ่งไม่หลับความอยากนี่มันเป็นตัวกระตุ้นให้จิตมันตื่นอยู่เรื่อย ย่งอย่าไปอยากเวลามันไม่หลับก็มึงไม่หลับก็ไม่เป็นไรมึงไม่หลับกูก็นอนสมาีิไปดูลมไปพุทโธไปเดี๋ยวมันหลับไปเองถ้าไม่มีความอยากให้มันหลับะแต่ถ้าอยากให้มันหลับมันไม่หลับเพราะมันคอยดูอแล้วเมื่อไหล่จะหลับททีมันก็ตื่นอยู่เลยใช่ไหมคอยดูเมื่อไหร่มันจะหลับมันก็ไม่หลับทีงั้อย่าไปสนใจนะถ้ามันไม่หลับก็พุทโธพุทโธไปดูลมไปเดี๋ยวมันก็หลับของมันเองอ่ะ อ่าเชิครับกาบรบกวนพระอาจารย์อีกคำถามนะครับ อ, อย่างที่เราทราบก็คื อ, อทุกวันนี้เนี่ยเด็กๆในโรงเรียนนะครับหรือว่าแม้แต่คนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ว่าจะเป็นประเทศเราหรือว่าประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยะจะมีการเขาเรียกว่าบูลลี่ที่ว่าใช้วาจาก้าวร้าวข่มเหงอันนี้อยากจะกราบเรียนพระอาจารย์ว่าคนที่ถูกบูลลี่นะครับจะ คุณจะใช้หลักทางพระพุทธศาสนาเนี่ยจัดการกับความคิดตัวเองอย่างไรครับ เ, เราก็สอนตัวเองว่าเราอยู่ในโลกที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ในโลกนี้มีทั้งคนดีและคนไม่ดีคนที่ชอบนังแก่คนอื่นก็มีคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นก็มีเราก็รู้จักเลือกคบคนพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าไปคบคนคนไม่ดีให้คบคนดี ถ้าอยู่กับคนดีอยู่คนไม่ดีแล้วก็ย้ายย้ายที่ไปเสียอย่าถ้าต้องการครบก็อย่าเข้าไปใกล้ชิดกับเขาถ้าหลบได้ก็หลบหลีกได้ก็หลีกแ ต, แต่ก็อย่าไปอย่าไปประชิญหน้ากันอย่าไปมีเรื่องมีราวกันเพราะมันจะบานปลายนั้นก็คิดว่าเราอาจจะเป็นกรรมของเราที่จะต้องมาเจอคนแบบนี้นก็ต้องหัดทาใจใพุโทโธพุโทโธไปเวลาเจอเขา หลบได้ก็หลบหลีกได้ก็หลีกถ้าไม่ได้ก็ยกมือไหว้เขาไปทีก็ได้ก็าเขาเพีย อ, อาจจะต้องการให้เราเคารพเขาท่านั่นเองพอเราเคารพเขาแล้วเขาก็ไม่มายุ่งกับเราก็ได้แต่ถ้าเขาก็ยังมายุ่งกับเราก็ต้องถือว่าเป็นกรรมของเราแหละชาติก่อนแล้วอาจจะเคยรังแกใครมาก่อนก็ได้ชาตินี้เลยก็ต้องให้เขามารังแกเราแทนไป จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะได้ยินมาว่าไม่ควรไปซื้อปลาในตลาดสดที่กำลังจะโดนฆ่าเพราะเป็นการแซงแซงกรรมการาพาจารย์ช่วยอธิบายด้วยค่ะทำไมจะไปทำไม่ได้เมื่อเขาจะถูกฆ่าเราไปช่วยเขาให้เข า, ใ ห, เขาให้เขาไม่ตายดีกว่าไปซื้อปลาที่เขาขายหน้าวัดบางทีเป็นปลาที่เขาวนเวียนเทียนอยู่ก็ได้ซื้อไปแล้วเดี๋ยวไปปล่อยสะหน้าวัดเดี๋ยวเขากลับไปเยันนี้เขากลับไปจับมาขายใหม่ มันก็เวียนเทียนไปแต่ปลาที่ได้มาจากตลาดนี่ก็อาจจะจับมาจากในคลองที่ไหนไม่รู้แล้วเขาก็เอามาขายเอามาฆ่าแต่พอเราไปช่วยถ่ายชีวิตเขาเขาก็ได้ไม่ถูกฆ่าแล้วเราก็ไปปล่อยในลําคลองให้เขาปลอดภัยต่อไปไม่ไม่จริงหรอกนะงั้นการถ่ายชีวิตนี้ถ่ายได้ทุกที่ทุกแห่งที่ไหนใครก็จะเสียชีวิตแล้วเราไปช่วยชีวิตเขาได้นี่ถือว่าดีเั่านั้นนะ ถ้าเราถ้าเราเป็นปลาที่จะถูกค่านี่อยู่ในตลาดแล้ว่เราไม่เหมาะสมกับการช่วยหรือชีวิตเหรอนไหม าาาคำถามฝากถามจากอินบ็อกค่ะขอกราบพระอาจารย์ครับผมอ่านประวัติพระอาจารย์ไปดูรูปสมัยวัยรุน่นพระอาจารย์มีรูปงามพระอาจารย์มีแนวคิดลักษณะแบบใดในสมัยค า, ารวาสครับออเช่นเรื่องทางครอบครัวเรื่องสร้างสถานะคู่ครองเหตุอะไรถึงพระอาจารย์มาอยู่ในศิลธรรมครับก็อยากมีราบยศเสริญสุขมาสิมีก็เหมือนกัน แต่แต่ว่าพอมาคิดถึงเวลามันแก่มันเจ็บมันตายนะพอไปเห็นคนคนตายมีเพื่อนตายตอนอายุประมาณสักส2บ3กงสิามวมันก็เลยทำให้มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาว่าโอ้ชีวิตนี้มันไม่ถาวรนะต่อให้ใหยยร่ำไม่รวยยังไงต่อในหะ้มีอะไรมากมายเดี๋ยวก็ต้องไปนอนในโรงมันก็เลยพลิกเปลี่ยนชีวิตใหม่ว่าโอ้ไม่ใช่ทางที่จ ะ, จะไป แต่มันมาครึ่งทางแล้วก็ต้องเรียนต่อไปให้มันจบเพราะยังไม่มีสามารถที่จะไปทำอะไรได้เราไม่รู้จักทางของพอพุทธศาสนาด้วยจนนั้นเรียนลงโรงเรียนคลิสโรงเรียนคลิสเขาให้เชื่อพระเจ้าอย่างเดียวแล้วพระเจ้าจะมาช่วยเราพาเราขึ้นไปสวรรค์เราฟังแล้วมันก็ไม่มีเหตุมีผลก็เลยตอนนั้นก็เรา ย, ยังไม่เชื่อศาสนาจนมาจบป ร, ริญญาแล้วเนี่ยเราถึงมาอ่านหนังสือพุทธศาสนาถึงเริ่มเข้าใจ ว่าทุกนี้เกิดได้อย่างไรและจะแก้ได้อย่างไรถึงเริ่มสนใจปฏิบัติธรรมต่อไปคาถามจากคุณวารู้ค่ะถ้าข้ามเวทนาได้แล้วจะทําอย่างไรต่อไปคะพระอาจารย์อก็ก็ไปข้ามความตายต่อไปถ้ายังข้ามความตายไม่ได้ก็ต้องข้ามความตายต่อไปต้องยอมให้ร่างกายตายเหมือนกับยอมให้ร่างกายเจ็บ ยอมให้ร่างกายเจ็บได้แล้วขั้นต่อไปก็ยอมให้ร่างกายตายพอตายแล้วที่นี้ก็จะปล่อยวางขันห้าคือเวทนาเวทนาสังขารวิญญาณแล้วก็รูปคือร่างกายได้ก็จะเป็นฆาสโสดาบันพอจากฆาตโสดาบันก็ต้องไปปล่อยวางร่างกายของคนที่เราไปรักไปชอบตอนสโสดาบันนี้ปล่อยวางแต่ความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายของของคน ทั้งของเราและของผู้อื่นแต่ยังไม่ได้ไปปล่อยวางความสวยงามยังเห็นร่างกายคนนั้นสวยคนนี้สว ย, ยอย่างๆได้เขามาเป็นแฟนอยู่ยังมีการอารมณ์อยู่ทัานต่อไปก็ต้องไปดูส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายเช่นดูร่างกายตอนที่ตายไปแล้วตอนที่เป็นซากศพนี่ถ้าเรามีแฟนเขาตายวันนี้เรายังจะเก็บเขาไว้ในบ้านไหมสวยขนาดไหนก็ตามเขาไม่มีลมหายใจแล้วก็ไม่เอาแล้วตองหัดดูตอนที่มันไม่สวยบ้าง